อิริยาบถปัพะสัมปชัญญะปัพะปฏิกูลาปัพาตามพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติระลึกไปในกายตั้งแต่พื้นเท้ามาจนถึงศีรษะเป็นส่วนเบื้องบนตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท้าเป็นส่วนเบื้องต่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ กำหนดว่าเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยปฏิกูลน่าเกลียดประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเนื้อหารูเอ็นอธิกระดูกอธิมิชังเยื่อในกระดูก วักกังไตทยังหัวใจยกนังตับกิโลมกังพังผืดปีหกังม้ามประพาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุนังสายรัดไสอุทรยังอาหารใหม่กริีสังอาหารเก่าปิดตังดี เสมหังเสรลฐอุโพน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทมันข้นอสุน้ำตาวาสามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาไขข้อ ม, มุดตังหมูด หรือน้ำปัสสาวะรวมเป็นอาการ31อกับในที่อื่นท่านแสดงไว้อีกหนึ่งคือมัทเเกมัททลุงคังขม่องมันสมองในขม่องศีรษะรวมเป็นอาการ32การตั้งสติระลึกไปในกายซึ่งประกอบด้วยอาการ31หรือ32 ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลดังกล่าวมานี้เป็นเครื่องกำจัดชันทราคะความติดความยินดีความกำหนัดด้วยอำนาจของความพอใจในกามทำลายกามฉันนิวรณ์ให้สงบให้สิ้นไปได้วิธีตั้งสติกำหนดนั้นอาศัยการพิจารณาคือต้องตั้งสติกำหนดให้เห็นอาการเหล่านี้ทีละอาการในครั้งหนึ่ง จะเพียงอาการเดียวหรือหลายอาการก็สุดแต่เมื่อสติกำหนดลงไปให้เห็นเหมือนอย่างมองเห็นแล้วก็พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลของอาการเหล่านี้ปรากฏตามที่เป็นคือความปฏิกูลนั้นเป็นอย่างไรก็ให้พิจารณาให้เห็นอย่างนั้นไม่ใช่ให้เห็นโดยที่ไม่เป็นหรือโดยสัญญาโดยแกล้งนึกเอา อาการเหล่านี้ปรากฏความปฏิกูลในตัวเองทั้งโดยสีทั้งโดยสันฐานคือสวดทรงทั้งโดยกลิ่นทั้งโดยที่เกิดทั้งโดยที่อยู่เห็นได้ง่ายเพราะปรากฏอยู่ที่ตัวเองเมื่อปล่อยหมักหมมไว้ไม่ชำระล้างความปฏิกูลก็ปรากฏขึ้นทันทีทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติธรรมดาของอาการเหล่านี้มีความเป็นของปฏิกูล แต่โดยปกติไม่ได้กำหนดไม่ได้พิจารณาซ้ำยังมีการตกแต่งแก้ไขจึงไปติดอยู่ที่การตกแต่งแก้ไขแถมมีสันธราคะมาประกอบก็ทำให้เห็นเป็นที่น่ายินดีแต่เมื่อเพิกอาการตกแต่งแก้ไขที่ปกปิดความปฏิกูลนั้นออกเสียความปฏิกูลปรากฏขึ้นแก่ใจสันธราคะก็จะหายไปเพราะความเป็นปฏิกูลนั้น เป็นค่าศึกต่อฉันทราคะหรือกามฉันความปฏิกูลปรากฏขึ้นเมื่อใดกามฉันหรือฉันทราคะก็หายไปเมื่อนั้นในวิธีกำหนดนี้จะกำหนดยกออกไปทีละอย่างก็ได้คือกำหนดให้เห็นเกษาผมแล้วก็ยกเอาผมออกไป กำหนดให้เห็นโลมาคือขนแล้วก็ยกเอาขนออกไปนะขาเล็บก็ให้เล็บออกไปทันตาฟันก็ให้ฟันหลุดออกไปตะโจหนังก็ลอกหนังออกไปมังสังเนื้อก็ให้เนื้อหลุดไปนะหารูเอ็นก็ให้เอ็นหมดไปอถิกระดูกในตอนนี้ จะกำหนดกระดูกเอาไว้ให้เห็นแต่โครงร่างกระดูกตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะลงไปกำหนดดูกระดูกที่ปรากฏอยู่เพียงเท่านี้ก็ได้หรือจะให้กระดูกหมดไปเหลือแต่เยื่อในกระดูกให้หมดทีละอย่างทีละอย่างในที่สุดก็ไม่มีอะไรดังนี้ก็ได้แต่ต้องอาศัยตั้งสติกำหนดพิจารณาเมื่อจิตสงบก็จะมีอุปทานะ คือความปรากฏของอารมณ์แจ่มชัดเมื่อมีอุปถานะคือความปรากฏของอารมณ์แจ่มชัดขึ้นสติที่กำหนดก็จะเป็นอุปถานะคือแจ่มชัดขึ้นเช่นเดียวกันและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเหมือนยังมองเห็นเท่ากับเป็นการสร้างตาเอกเรมองเห็นจนถึงกระดูกเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้กรมฉันหรือฉันทราคาที่เกิดขึ้น ก็จะสงบไปได้จิตใจก็จะตั้งมั่นอนหนึ่งท่านสอนใหรทำสัมปชัญญะในอิริยาบถใหญ่คือเมื่อเดินก็ให้มีความรู้ตัวเมื่อยืนก็ให้มีความรู้ตัวเมื่อนั่งก็ให้มีความรู้ตัวเมื่อนอนก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อจะน้อมกายไปอย่างใดก็ให้มีความรู้ตัวอย่างนั้นทุกอิริยาบถและท่านสอนในธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอิริยาบถเน้อยต่างๆเช่นเมื่อก้าวไปข้างหน้าเมื่อถอยไปข้างหลังเมื่อคูแขนเข้าหรือเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าเมื่อเหยียดออกเมื่อนุ่งห่มเมื่อกินเมื่อดื่มเมื่อเคี้ยวเมื่อถ่าย หรือเมื่อเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งก็ให้มีความรู้ตัวอยู่ให้ตลอดด้วยการทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นบทประกอบเข้าเพราะประสงค์ให้มีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะดังที่กล่าวมาแล้วกายะคตาสตินี้ควรจะหัดพิจารณาอีกข้อหนึ่ง เพราะนอกจากทําจิตใจให้เป็นสมาธิยังอาจเป็นเครื่องกําจัดกามฉันหรือฉันทราคะได้ด้วยส่วนอาณาปานาสตินั้นเป็นสมาธิได้ดีแต่ไม่สู้จะ ก, กําจัดฉันทราคะหรือกามฉันได้ถนัดนักเพราะฉะนั้นก็ให้เจริญสมาธิไว้ทั้งสองข้อเหล่านี้ท่านแสดงว่าสมาธิล้วนคือจิตใจตั้งมั่นสงบเพียงอย่างเดียวนั้น ท้าไม่เจริญวิปัสนาเมื่อออกจากสมาธินั้นแล้วบางทีกิเลสแรงขึ้นเช่นราคะโทสะแรงขึ้นเราเป็นจิตที่มีกำลังแต่ไม่ได้พ่อนปลนเอากิเลสออกไปบ้างเมื่อจิตมีกำลังและมีกิเลสหนุนอยู่กิเลสไม่ถูกผ่อนปลนออกสิบ้างเมื่อกราประสบอารมณ์ที่เป็นเหตุยั่วราคะราคะก็เกิดแรง เมื่อประสบอารมณ์ที่เป็นเหตุยั่วโทสะโทสะก็เกิดแรงแรงกว่าไม่ได้ทำสมาธิส่วนกายคตาสตินี้เจอวิปัสสนาไปในตัวด้วยก็เป็นการผ่อนรินกิเลสกองราคะออกไปได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อหัดเจริญไว้และออกจากสมาธิอันนี้แล้วเมื่อถูกอารมณ์ที่เป็นเรื่องยั่วราคะมายั่วก็จะไม่สู้เป็นอะไรนัก เพราะจิตใจเคยกำหนดอยู่ในความปฏิกูลก็ยอมจะเห็นปฏิกูลได้ง่ายฉะนั้นในเวลาที่บวชพระอุปัชฌายะท่านจึงสอนตจัปปัญจ ก, กรรมฐานคือยกขึ้นสอนเพียงหข้อเกสาโลมานาขาทันตาตะโจสำหรับจะได้พิจารณาเป็นเครื่องมือในเวลาที่บวชอยู่เมื่อมีกรรมฐานอันนี้คู่ใจอยู่ ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เรียบร้อยดีถ้าขาดกรรมฐานข้อนี้พรหมจรรย์ก็จะเร่าร้อนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนกรรมฐานข้อนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อบวชก็ควรที่จะเจริญกายคตาสตินี้เป็นอีกข้อหนึ่งไปด้วย หมายเหตุผู้อ่านสําหรับคําว่าพระมรรจันนั้นตามความหมายหลักของพระพุทธศาสนาหมายถึงการประพฤติธรรมอันประเสริฐการครองชีวิตประเสริฐมัคหรือหมายถึงพระศาสนาไม่ใช่แค่การครองชีวิตที่ละเว้นหรือปราศจากเมถุน์เกิดการร่วมเพศเท่านั้นนะครับ